รัตไรปิดกฉบับประชาชนเล่มที่ยี่สิบห้าสุดตันตปิดกขุทธกาณิกายเล่มยี่สิบห้านี้เป็นเล่มแรกของขุทธกาณิกายหรือหมวดเบตเตเล็ดได้กล่าวแล้วในตอนแรกว่าขุทธกาณิกายหรือหมวดเบตตเล็ดนี้เริ่มตั้งแต่เล่มที่ยี่สิบห้าถึงเล่มสามสิบสามรวมเก้าเล่มว่าด้วยหัวข้อใหญ่รวมสิบห้าเรื่องเฉพาะเล่มที่ยี่สิบห้านี้ มีหัวข้อใหญ่รวมอยู่ถึงห้าเรื่องคือ 1. คขุตกะปาฐะบทสวดเล็กๆน้อยๆ 2. อยธรรมะปะทะคาถาหรือเรียกสั้นๆว่าธรรมบทแปลว่าบทแห่งธรรมะว่าด้วยสุภาษิตสั้นๆประมาณส0มร้อหัวข้อ 3. อุทานว่าด้วยพระพุทธภาษิต ที่ส่งเปล่งออกมาปรารบเหตุการณ์นั้นๆสอิติวุตกะว่าด้วยถ้อยคำที่อ้างอิงว่าเป็นภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาค 5. สุตตานิบาตว่าด้วยชุมนุมพระสูตรเบตเตเลดต่างๆขุททกะปาถะบทสวดเล็กๆน้อยๆแบ่งออกเป็นก้าส่วน คือส่วนที่หนึ่งสาระคมมนะะการถึงสาระเป็นบทสวด ถ, ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกรวมสามครั้งได้แก่บทพุทธทังสารนางคัจฉามิถึงตติยัมปิสังคังสารนังคัจฉามิส่วนที่สองทัาสาศสิกขาบทสิกขาบทสิบ เป็นบทสมทานศีลสิบสำหรับสามเณรคือเว้นจากฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติล่วงพรมจรรย์พูดปดดื่มสุราเมรยัยบริโภคอาหารในเวลาวิการคือหลังเที่ยงแล้วไปจนถึงเวลารุ่งอรุณฟ้อนรำขับร้องประโคมดูการเล่นทัดทรงระเบียบดอกไม้ของหอมตกแต่งประดับประดาที่นั่งที่นอนสูงใหญ่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 เลวมันน้ำลายน้ำมูกไข่ข้อมูดหรือปัสสาวะและมันสมองส่วนที่สปัญหาของสั ม, มเณนอะไรชื่อว่าหนึ่งได้แก่สัตว์เป็นอยู่ได้ด้วยอาหารอะไรชื่อว่าสองได้แก่น้มและรูปทั้งหมดมีสิบข้อซึ่งได้ย่อไว้แล้วในเล่มก่อน ส่วนที่หมงคลละสูตรเล่าเรื่องพระผู้มีพระภาคตรัสตอบปัญหาของเทวดาผู้มาถามว่าอะไรเป็นมงคลโดยตรัสชี้ไปที่ข้อประพฤติปฏิบัติทั้งสิ้นรวม37ประการไม่ได้ทรงชี้ไปที่มงคลภายนอกหรือโชคลางอะไรเลยดังต่อไปนี้หนึ่งไม่คบคนพานสองคบบัณฑิต 3. บูชาผู้ควรบูชา 4. อยู่ในประเทศอันสมควร 5. เคยทำบุญไว้ในการก่อน 6. ตั้งตนชอบไว้ 7. สดัรตรับฟังมาก 8. ศิลปะ 9. ศึกษาวินัยดี 10. วาจาเป็นสุภาษิตสิอ บำรุงมานดาบิดา 12. สงเคราะห์บุตรลภริยา 13. การงานไม่อากูล 14. ให้ทาน 15. ประพฤต ธ, ธรรม 16. สงเคราะห์ญาติ17การงานที่ไม่มีโทษ 18. เว้นจากบาป 19. สําสำรวมจากการดื่มน้ำเมายี่สิบ ไม่ประมาทในธรรมะยี่สิบเอ็ดเคารพยี่สิบสองเจียมตัวยี่สิบสาสันโดษยินดีด้วยของของตนยี่สิบสี่รู้คุณท่านยี่สิบห้าฟังธรรมตามการยี่สิบหอดทนยี่สิบ็ดว่าง่ายยี่สิบปดเห็นสมณนะยี่สิบสนทนาธรรมตามการ 30บตบะหรือความเพียร31อประพฤติปรมจันร์32เห็นอริยร ส, สัจว์ทําทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน34จิตไม่หวั่นไหวเมื่อถูกต้องโลกธรรม35จิตไม่เศร้าโศก36จิตปราศจากทุลี37 จิตกเกษมคือปลอดโปร่งจากกิเลสหมายเหตุการนับจํานวน37นี้ไม่มีในพระไตรปิฎกแต่ในอัตถกถาท่านนับเป็น38โดยแยกการบำรุงมารดากับการบำรุงบิดาไว้เป็นสองข้อแล้วว่าอาจแยกข้อสงเคราะห์บุตรกับภริยาออกเป็นสองข้ออีกก็ได้ หรือจะรวมไว้เป็น37ข้อก็ได้ส่วนที่หพรัตนสูตรเป็นบทสวดพันนาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และอ้างสัจจวาจาอำนวยสวัสดีมงคลส่วนที่เจติโรกุณทกันในที่บางแห่งเรียกติโรกุณทสูตรคำว่ากันก็แปลว่าหมวด ติโรกุลทะแปลว่านอกฟ้าเป็นเรื่องพันนาถึงผู้ล่วงลับไปแล้วว่าการอุทิตส่วนกุศลไปให้ย่อมเข้าถึงคือสำเร็จแก่ผู้ล่วงลับเหล่านั้นโดยควรแก่ฐานะส่วนที่8นิธิกันว่าด้วยเรื่องขุมทรัพย์การฝังทรัพย์ไว้ในดินไม่ยั่งยืนอาจถูกคนลักขุดไปหรือดินเลื่อนเคลื่อนที่ไป หรือฝังแล้วจำไม่ได้เมื่อสิ้นบุญสิ่งทั้งหมดนั้นก็พินาศแต่ขุมทรัพย์คือบุญอันเกิดแต่การบำเพ็ญคุณงามความดีเป็นขุมทรัพย์ที่ใครจะช่วงชิงไม่ได้เป็นของติดตัวไปเสมอและอาจให้สำเร็จสิ่งประสงค์ตั้งแต่อย่างต่ำถึงอย่างสูงส่วนที่เก้ากรณียเมตสูตร พันนาถึงการแผ่เมตตาไปในสัตว์ทุกประเภทให้มีความสุขทั่วหน้ากันธรรมประปทะคาถาหรือธรรมบทว่าด้วยบทแห่งธรรมะได้กล่าวแล้วว่าธรรมบทหมายถึงสุภาษิตสั้นๆประมาณสามร้อยข้อ และได้แปลไว้เป็นตัวอย่างแล้วในเบื้องต้นรวมหลายสิบข้อในที่นี้จะนำข้อความที่ไม่ซ้ำกันมาแปลไว้เป็นตัวอย่างอีกสิบข้อคือหนึ่งไม่พึงมองดูความผิดพลาดของคนอื่นหรือมองดูสิ่งที่เขาทำหรือไม่ได้ทำพึงมองดูแต่สิ่งที่ตนทำแล้วหรือยังไม่ได้ทำเท่านั้น 2. ดอกไม้ที่น่าชอบใจ มีสีแต่ไม่มีกลิ่นก็เหมือนวาจาสุภาษิตย่อมไม่มีผลแก่ผู้ไม่ทําตาม 3. ในมนุษย์ทั้งหลายคนที่ถึงฝั่งมีน้อยคนนอกนี้วิ่งเลาะไปตามชายฝั่งข้างนี้เท่านั้น 4. คนไม่มีศรัทธาไม่กระตันอยู่ตัดช่องคือเข้าขโมย มีโอกาสอันถูกขจัดหมดหวังผู้นั้นเป็นบุรุษผู้สูงสุดข้อนี้เป็นคำกล่าวดัดแปลงคำด่าให้เป็นคำดีคำว่าไม่มีศรัทธาในทางที่ดีควรแปลว่าไม่เชื่อง่ายคือพยายามทำให้ประจักษ์ในผลความดีด้วยตนเองจนไม่ต้องเชื่อผู้อื่นไม่กระตันอยู่หรืออากตันอยู่แปลในทางดีว่า ผู้รู้นิพพานซึ่งไม่มีสิ่งใดๆหรือใครมาทํามาสร้างได้ตัดช่องหรือเข้าขโมยแปลจากคำว่าสันทิชเฉทะซึ่งอาจแปลในทางที่ดีได้ว่าตัดที่ต่อคือวัตตะหรือการเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องเกิดอีกมีโอกาสอันถูกขจัดแปลในทางดีได้ว่า หมดโอกาสที่จะเกิดอีกเพราะหมดพืชคือกุศลกรรมและอกุศลกรรมแล้วหมดหวังหรือคลายความหวังอาจตีความได้ว่าเมื่อได้บรรลุสิ่งที่สูงสุดแล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องคอยมุ่งหวังอะไรต่อไปอีกเรื่องเหล่านี้เป็นตัวอย่างในทางมองแง่ดีจากคาเยาะเย้ยถาถางของคนที่มุ่งร้าย หผู้ใดประทุษร้ายต่อคนไม่ได้ประทุษร้ายซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่มีกิเลสบาปย่อมสนองคนผานนั้นเหมือนฝุ่นที่ซัดไปทวนลม 6. คนเลี้ยงโคใช้ท่อนไม้ต้อนโคไปสู่ที่หากินฉันใดความแก่และความตายย่อมต้อนอายุ ข, ของสัตว์ทั้งหลายไปฉันนั้น 7. ร่าเริงอะไรหรือชื่นใจอะไรกันในเมื่อโลกลุกเป็นไฟอยู่เป็นนิดท่านทั้งหลายถูกความมืดห่อหุ้มแล้วจะไหนจึงไม่สแสวงหาดวงประทีป 8. ความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งสังขารคือสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งเป็นทุกข์อย่างยิ่งรู้ความจริงข้อนี้แล้วดับทุกข์ได้เป็นสุขอย่างยิ่ง เกาอัตุละเออยการนินทานี้เป็นของเก่าไม่ใช่ของดุดมีในวันนี้คนนั่งนิ่งก็ถูกนินทาคนพูดมากก็ถูกนินทาคนพูดพอประมาณก็ถูกนินทาคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกสิ 10. ไฟเสมอด้วยราคะไม่มีเคราะเสมอด้วยโทสะไม่มี ไข่เสมอด้วยโมหะไม่มีแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มีมีคำสรุปว่าในธรรมบทมีคาถาหรือคำฉัน423บทบางเรื่องและบางหัวข้ออาจประกอบด้วยคำฉันหลายบทเพราะฉะนั้นที่กล่าวว่าประมาณ300้อหัวข้อจึงหมายเฉพาะเนื้อเรื่อง หมวดที่สามอุทานว่าด้วยพระพุทธภาษิต ท, ที่ทรงเปล่งออกมาปรารบเหตุการณ์นั้นๆพระอัฏฐกถาจารย์อธิบายเรื่องการจัดระเบียบไว้ว่าอุทานนี้มีแปดวร ก, กล่าวโดยสูตรประมาณ80สบสูตรกล่าวโดยคาถาหรือคำฉันมี95บห้าบทใจความสำคัญในเรื่องอุทานก็คือเมื่อมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น พระผู้มีพระภาคทรงปรารภเหตุการณ์นั้นๆก็ทรงเปล่งอุทานเป็นข้อธรรมะอันมีเนื้อหาเป็นคำสั่งสอนในที่นี้จะเลือกแปลบทอุทานในแปดวักนั้นวักละสองเรื่องรวมเป็นสิบหกเรื่องจากแปดสิบเรื่องดังต่อไปนี้วักที่หนึ่งโพธิวักว่าด้วยการตรัสรู้ ทรงเปล่งอุทานในราตรีแรกแห่งการตรัสรู้ในยามที่หนึ่งในการใดธรรมะทั้งหลายปรากฏแก่พรามผู้มีความเพียรเพ่งอยู่ในการนั้นความสงสัยทั้งปวงของพรามนั้นยอมสิ้นไปเพราะรู้ธรรมะพร้อมทั้งเหตุในยามที่สองในการใด ธรรมะทั้งหลายปรากฏแก่พรามผู้มีความเพียรเพ่งอยู่ในการนั้นความสงสัยทั้งปวงของพรามนั้นย่อมสิ้นไปเพราะได้รู้ความสิ้นไปแห่งปัจจัยในยามที่สามในการใดธรรมะทั้งหลายปรากฏแก่พรามผู้มีความเพียรเพ่งอยู่พรามนั้นย่อมกำจัดมารพร้อมทั้งเสนาเสดได้เหมือนดวงอาทิตย์ กำจัดความมืดทําท้องฟ้าให้สว่างฉะนั้นทรงแปล่งอุทานปราลบระสังคามชิผู้ไม่เยื่อใ่ในอดีตภริยาทรงแปล่งอุทานว่าผู้ใดไม่ยินดีผู้ที่มาไม่เศร้าโศกถึงผู้ที่ไปเร่ากล่าวถึงผู้นั้นซึ่งเป็นผู้ชนะสงครามผู้พ้นจากความคล้องว่าเป็นพราหมณ์ วรที่สองมุจลินทวักว่าด้วยเหตุการณ์ที่ต้นจิกทรงเปล่งอุทานที่ใต้ต้นจิกดังนี้ความสงัดของบุคคลผู้ยินดีผู้สดับธรรมผู้เห็นด้วยปัญญาเป็นสุขความไม่เบียดเบียนคือความสำรวมในสัตว์ทั้งหลายเป็นสุขในโลกความปราศจากราคะ คือความก้าวล่วงการทั้งหลายเป็นสุขในโลกการนำออกเสียซึ่งอสมิมานะหรือความถือตัวว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่เป็นสุขอย่างยิ่งทรงเปล่งอุทานแะเชตวนารามกรุงสาวัตถีปรารบคำสนทนาของภิกษุทั้งหลายดังนี้ความสุขทางการอันใดในโลกและความสุขใดอันเป็นทิพย์ ความสุขทั้งหมดนั้นย่อมไม่ถึงเซี่ยวที่ส6หแห่งความสุขเพราะสิ้นตันหาหรือความทยานอยากวักที่สามนันทวักว่าด้วยพระนันทะทรงเปล่งอุทานปรารพระนันทะผู้เป็นพระอนุชาต่างพระมารดาดังนี้ผู้ใดข้ามลมกามได้ ย่ำยี่นามคือกามได้บรรลุความสิ้นไปแห่งความหลงผู้นั้นเป็นผู้เห็นภัยคือพิขุย่อมไม่หวั่นไหวในสุขและทุกข์ทรงเปล่งอุทานราราบพระบิลินทวัชชะผู้พูดไม่ไพเราะเพราะเคยปากดังนี้ผู้ใดไม่มีมายาไม่มีความถือตัวสิ้นความโลภ ไม่ยึดว่าอะไรเป็นของเราปราศจากความหวังบันเทาความโกรธดับอัตตาเสยได้ผู้นั้นเป็นพรามเป็นสมณนะเป็นภิกษุวักที่สเมขิยาวักว่าด้วยพระเมขิยะทรงเปล่งอุทานปรารบพระเมขิยะดังนี้ความตรึกดที่เลวหรือกามวิตก ความตรึกที่ละเอียดอ่อนมีการปารบญาาิชนบทลาบสการะเป็นต้นความตรึกที่เลวความตรึกที่ละเอียดอ่อนที่ติดตามไปที่ทำจิตให้ผิดปกติผู้มีจิตหมุนไปไม่รู้ความตรึกแห่งใจเหล่านี้ย่อมแล่นไปไปมามาในอารมมีรูปเสียงเป็นต้นแต่ผู้รู้ความตรึกแห่งใจเหล่านั้นมีความเพียร มีสติสำรวมย่อมเป็นผู้ตรัสรู้ละความตรึกเหล่านั้นที่ติดตามไปที่ทำใจให้ผิดปกติได้โดยไม่เหลือทรงเปล่งอุทานปราลรพระอุปเสนวังคันตบุตรดังนี้ผู้ไม่เดือดร้อนต่อชีวิตไม่เศร้าโศกเมื่อจะตายผู้นั้นแหลเป็นนักปราดเป็นผู้เห็นบทแห่งธรรมะ ยอมไม่เศร้าโศกในถ้ำกลางแห่งความโศกภิกษุถอนความทยานอยากในพบได้มีจิตสงบสิ้นความท่องเที่ยวสู่ความเกิดย่อมไม่มีการเกิดอีกวรรคที่หโาโสณเทรวักว่าด้วยพระโสณเทระทรงเปล่งอุทานปรารบพระราชดำรัสของพระเจ้าประสเสนที่โกศล และพระนางมาลิกาดังนี้บุคคลเอาใจตรวจดูทั่วทุกทิศแล้วไม่พบคนอื่นซึ่งเป็นที่รักยิ่งกว่าตนในที่ไหนไหนคนอื่นก็รักตนอย่างยิ่งเช่นเดียวกันเพราะเหตุนั้นผู้ใคร่ความสุขแก่ตนจึงไม่ควรเบียดเบียนผู้อื่นทรงเปล่งอุทานปรารพพระเทวทัต ผู้ทำลายส่งให้แตกกันดังนี้ความดีคนดีทำได้ง่ายคนชั่วทำได้ยากความชั่วคนชั่วทำง่ายแต่คนที่ประเสริฐทำได้ยากวรรคที่หชัดจันทวรรค์ว่าด้วยอุปมาด้วยคนตาบอดแต่กำเนิด ทรงแปลงอุทานปรารภพระเจ้าประเสนที่โกศลดังนี้ไม่พึงพยายามในความชั่วทุกอย่างไม่พึงเป็นคนของคนอื่นคือควรเป็นตัวของตัวเองไม่พึงอาศัยผู้อื่นดำรงชีวิตไม่พึงประพฤติธธ ร, รมให้มีแผลทรงแปลงอุทานปรารลบนักบวชนอกศาสนาที่เถียงทะเลาะกันเพราะเห็นต่างกันดังนี้ สมณพราหมณ์บางพวกย่อมติดอยู่ในทิฏฐิเหล่านี้เป็นคนมีความเห็นแง่เดียวย่อมทะเลาะวิวาทกันวักที่เจ็ดจุรวักว่าด้วยภิกษุผู้มีร่างเล็กทรงเปล่งอุทานปรารพระพัทยะผู้ค่อมดังนี้ ผู้หลุดพ้นในเบื้องต้นเบื้องต่าในที่ทั้งปวงไม่ตามเห็นว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่ผู้หลุดพ้นอย่างนี้ได้ข้ามแล้วซึ่งโอคะคือห้วงน้ำที่ยังไม่เคยข้ามเพื่อความไม่เกิดอีกทรงเปล่งอุทานปรารบมนุษย์ผู้ติดอยู่ในกามดังนี้ผู้บอดเพราะกามติดอยู่ในข่ายคือตัณหา ถูกเครื่องปกปิดคือตันหาปกปิดไว้ถูกพยามานผู้ผูกมัดสัตว์ผู้ประมาทผูกไว้แล้วย่อมเป็นเหมือนปลาเข้าไปในปากใสย่อมถึงความแก่และความตายเหมือนลูกโคยังดื่มนมวิ่งเข้าหาแม่วักที่8ปาตลิคามิวักว่าด้วยอุบาศกชาวปาตลิคาม ทรงเปลงอุทานปรารพระนิพพานดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอายตนะนั้นมีอยู่คืออายตนะที่ไม่มีดินน้ำไฟลมอากาศสานันจายตนะวิญญาณันจายตนะอากิจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกอื่นไม่มีพระจันทร์พระอาทิตย์ทั้งสอง เราไม่กล่าวถึงอายตนะนั้นว่าเป็นการมาการไปการตั้งอยู่การจุดติหรือเคลื่อนการอุบัติคือเข้าถึงหรือเกิดอายตนะนั้นไม่มีที่ตั้งไม่มีความเป็นไปไม่มีอารมณ์นั่นแหละเป็นที่สุขแห่งทุกข์หมายเหตุคำอธิบายพระนิพพานในรูปปฏิเสธเช่นนี้ บางท่านอาจสงวนว่าจะมีประโยชน์หรือมีความหมายอย่างไรขอตอบว่าอย่าว่าแต่พระนิพพานซึ่งเป็นธรรมะอันสูงยิ่งจะอธิบายได้ยากเลยแม้เรื่องง่ายๆในโลกนี้เช่นสีขาวสีเขียวถ้าจะให้อธิบายก็พูดไม่ถูกเหมือนกันบางครั้งก็ต้องอาศัยสำนวนปฏิเสธหรือชี้ให้ดูพระนิพพานก็เช่นกันผู้บรรลุ ด, ด้วยตนเอง ก็ไม่มีปัญหาส่วนผู้ยังไม่ได้บรรลุก็ต้องอธิบายว่าไม่เป็นอย่างที่เขานึกกันอย่างโลกโลกทรงเปล่งอุทานปราลบนายจุนทะกรมารบุตรดังนี้บุญย่อมเจริญแก่ผู้ให้เวรของผู้สำรวมย่อมไม่ถูกก่อขึ้นผู้ฉลาดย่อมละความชั่วปริณิพาน เพราะสินราคะโทสะโมหะ